จเจริญพรท่านผู้มีเจตสัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 3, สามสิงหาคมพุทธศักราช5 5 6เป็นวันที่ท่านไั้รายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างความสุขให้แก่จิตใจพราะความสุขของจิตใจเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะอยู่ติดไปกับใจเป็นความสุขที่ดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเป็นความสุขที่เกิดจากกาเสียสล ไม่ได้เกิดจากการได้การได้มาจะทำให้เกิดมีความโลภความอยากได้เพิ่มมากขึ้นพอมีความโลภความอยากเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นแต่การเสียสะละจะทำให้ลดความอยากได้น้อยลงไปความอยากได้น้อยลงไป ความทุก์ก็น้อยลงไปความสุขก็มีเพิ่มมากขึ้นดังนั้นวิธีที่สร้างความสุขที่แท้จริงจึงต้องสร้างด้วยการเสียสละจากาแบ่งปันไม่หวงไม่ห่วง ไ, ไม่ตหนีกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีมากเกินความจำเป็น ความจะเป็นก็คือปัจจัยสี่อาหารเครื่องน้ง่มหอมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้ามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วส่วนที่เหลือก็ไม่ควรที่จะหวงเก็บเอาไว้เพราะความหวงก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจความหวงก็เกิดความทุกข์ใจ ความตนีก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจแต่ให้ได้แล้วจะทำให้มีความสุขใจการให้เป็นการชนะความตนีความโหยหวงในสมบัติที่ไม่ช้าก็แล้วก็ต้องจากกันไปเพราะสมบัติตา่างๆที่เราได้มาในโลกนี้ เป็นสมบัติชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วถ้าเขาไม่ไปก่อนเราก็ไปก่อนเพราะว่าทั้งเราทั้งเขาก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวนั่นเองทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้มีประโยชน์ก็เพียแต่เพื่อดูแลรักษาร่างกายนี้เท่านั้นเองไม่สามารถห้ามความสุขให้มากไปกว่านี้ได้ ความสุขที่จะได้มากไปกว่าปัจจัยสีต้องเป็นความสุขที่เกิดจากการเสียสละการเสียสละการแบ่งปันการให้ทานจะทำให้จิตใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเป็นความสุขที่ปัจจัยสีไม่สามารถให้ได้หรือเงินทองต่างๆ ไม่สามารถให้ความสุขไม่ได้ต่อให้เอาเงินทองไปซื้อสิ่งต่างๆมามากมายกายกองขนาดไหนก็ตามซื้อเสื้อผ้ามาอีกร้อยชุดซื้อร อ, อ, องเท้ามาอีกร้อยคู่ซื้อกระเป๋ามาอีกร้อยใบซื้ออะไรต่างๆมาอีกมากมายเพียงใบก็จะไม่ได้เพิ่มความสุขมากไปกว่าความสุขที่ได้จาก ปัจจัยสี่ก็คือทําให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขได้เท่านั้นแต่จะไม่สามารถเพิ่มความสุขให้มากขึ้นหรือดับความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปได้กลับจะทําให้เกิดความทุกข์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่เราทําตามความอยากใช้เงินซื้อสิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้ก็จะไปสร้างความอยากให้มีกาลังมากขึ้นพอความอยากมีกำลังมากขึ้นความทุกข์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปดังนั้นการที่มีทรัพย์มากๆนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจไม่ได้เป็นการส่งเสริมความสงบส่งเสริมความสุขของจิตใจแต่กลับเป็นการ สร้างความทุกข์ใจสร้างความวุ่นวายใจให้เพิ่มมากขึ้นไปนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นโทษของทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆจึงได้สละทรัพย์ทั้งหมดแล้วก็ไปสร้างความสุขให้แก่จิตใจที่เกิดจากการเสียสละจาคะ สละสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่ผู้อื่นไปแล้วก็ไปแสวงหาที่สงบที่จะเพิ่มความสุขให้แก่จิตใจด้วยการรักษากายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบกายวาจาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขนี่คือธรรมชาติของใจ ความสุขของใจอยู่ที่ความสงบอยู่ที่การไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องคิดอะไรแล้วจะปรากฏความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ก็คือค ว, ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองนัตติสันติป ร, รังสุขขัง ไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แหละคือวิถีทางของนักปราร์ดของผู้ที่มีปัญญาของผู้ที่รู้คุณรู้โทษซึ่งต่างกับวิถีชีวิตของพวกเราที่ยังวุ่นวาย กับการหาสิ่งต่างๆวุ่นวายกับการใช้สิ่งต่างๆวุ่นวายกับการรักษาสิ่งต่างๆวุ่นวายกับความเสียอกเสียใจเวลาพัดภราคจากสิ่งต่างๆไปเพราะไม่ได้มีปัญญานั้นเองไม่มีความเจรา มองไม่เห็นความจริงของใจทั้งๆ ท, ที่กำลังอยู่ในกองทุกข์อยู่ตลอดเวลากลับไม่เห็นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรแทนที่จะหยุดความหยุดเอตที่ทำให้เกิดความทุกข์กลับไปสร้างเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์มีเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง เหตุที่ทำให้ใจมีความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆอันนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจของพวกเรามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจกันไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรได้ทำอะไรตามความอยากมากน้อยเพียงไรความอยากจะไม่มีวันหมดไป นอกจากไม่มีวันหมดไปแล้วยังจะเพิ่มความอยากให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็อยากจะมีชีวิตที่อยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนมีปัจจัยสี่พอเพียงพอมีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วก็ไม่พอต้องมีเพิ่มขึ้นอีกก็อยากจะมีความร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติเข้าของมากมากพอมีมากแล้วก็ยังไม่พออีกทีนี้ก็อยากจะมีหน้ามีตามีเกียรติอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากจะเป็นกำนันอยากจะเป็นนายกเทศมนตรีอยากจะเป็นนายกอบจอยากจะเป็นสอสอ อยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นนายกอยากกันไปไม่มีวันสิ้นสุดได้เป็นกำนันก็อยากจะเป็นนายกเทศมนตรีได้เป็นนายกเทศมนตรีก็อยากจะเป็นนายกอบจเป็นนายกอบจก็อยากจะเป็นสสเป็นสสก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐธมนตรีก็อยากจะเป็นนายกเป็นนายกก็อยากจะกลับเป็นม้า ก็อยากจะกลับมาเป็นนายกอีกถ้าเปลี่ยนแปลงรัฐมนูญได้ขอก็ขอเป็นประธานาธิบดีเลยพอเป็นประธานาธิบดีก็อยากจะเป็นผเด็ดการอยากให้ทุกคนก้มล้มก้มกราบคารวะนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญไปจนวันตายพอได้เป็นแล้วก็อยากจะอยู่ไปนา น, าน อยากจะมีอายุยืนยาวนานอยู่ไปถึงร้อยปี200ปีพออยู่ไปนานแล้วจะตายก็ขอให้ไปสวรรค์ความอยากมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดพอไปสวรรค์กลับมาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นอกกลับมาอยากใหม่อยากอยู่ดีกินดีแล้วก็อยากร่ำอยากรวย อยากมีรากมียอดมีหน้ามีตาเป็นใหญ่เป็นโตก็ตทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบแล้วนี่แหละคือชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนี้ถ้าตามความถ้าทำตามความอยากแล้วมันก็จะไปอย่างนี้มันจะไปอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าภพชาติที่เราได้มาเวียนว่ายตายเกิดนี้มันมีมากมายจนไม่สามารถที่จะ นับจํานวนได้แต่เปรียบเทียบได้ด้วยน้ําตาที่เราต้องหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเราเก็บสะสมไวน้นี่มันจำมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรสิคิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องร้องไห้ทักกี่กี่ครั้งด้วยกันถึงจะได้น้ําเท่ากับน้ําในมหาสมุทรอันนั้นแหละคือภพชาติของพวกเราแล้วมันก็เกิดจากความอยากของเรานี่เอง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรู้พวกเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้ความจริงอันนี้แล้วก็จะไม่มีวันที่จะยุติความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดการกระทำตามความอยากต่างๆได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรู้ถึงความจริงอันนี้ว่าความทุกข์ของสารโลกนี้เกิดจากความอยาก สประการด้วยกันคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าอยากในกาลอยากในเรียกว่ากามตันหาความอยากที่สองก็เรียกว่าภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตความอยากชนิดที่สก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจน อยากไม่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอันนี้ก็เป็นความอยากสาประการด้วยกันที่ทําให้สัตว์โลกต้องดิ้นหนนต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอยาก่างแต่สู้อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากไม่ได้แทนที่จะหยุดกับหยุดความอยากกับเพิ่มความอยากให้มากขึ้น เหมือนกับแทนที่จะดับไฟด้วยการเทน้ําลงไปในกองไฟกับเทน้ํามันลงไปในกองไฟพอเทน้ํามันลงไปใหม่ๆไฟก็ทำท่าจะดับเพราะว่าน้ํามันมันยังไม่ร้อนแต่พอสักครู่หนึ่งพอน้ํามันร้อนขึ้นมาแล้วทีนี้ไฟยิ่งลุกใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเสียอยีกนี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราเป็นอย่างนี้ เป็นเหมือนกองไฟเวลาเราทุกข์เพราะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ไปทงตามความอยากของเราพอได้ทำแล้วความทุกข์นั้นก็สงบตัวลงไปแต่สักระยะหนึ่งก็เกิดความอยากที่รุนแรงกว่าเก่าขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกความอยากจึงเพิ่มใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆจากคืบก็กลายเป็นสอจากสอก็กลายเป็นวาง จากว่าก็กลายเป็นตารางเมตรกิโลเมตรไปนี่คือความอยากของพวกเรายิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรน้ำในมาหาสมุทรยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งถ้าปล่อยทำปล่อยให้ไปทําตามความอยากความอยากจะขยายจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไปกว้างมากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วความทุกข์ก็จะมีรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้คนใหญ่คนโตนี่มีความอยากมากกว่าความคนเล็กคนน้อยความทุกข์ของคนใหญ่คนโตจึงมีความทุกข์มากกว่าคนเล็กคนน้อยสมัยเด็กๆเราก็มีความอยากกันแต่ความทุกข์ของเรามันเดี๋ยวๆท่านั้นเอง พออยากก็ได้อะไรไม่ได้ดังใจก็ร้องไห้โวยวายไปสักครู่หนึ่งพอเหนื่อยก็หยุดแล้วก็หายหายจากความทุกข์ไปพอโตขึ้นมาหน่อยความอยากก็เพิ่มมากขึ้นเพราะเดี๋ยวพอร่างกายโตขึ้นก็มีความสามารถที่จะทำตามความอยากได้มากขึ้นตอนเป็นเด็กๆไปโรงเรียนได้เวลา20สบสาิบาทก็ดีออกดีใจแล้ว พอโตขึ้นมาพอทำงานทำมาหากินหาเงินหาทองได้ใช้วัวละ 20-30 บาทไม่พอแล้วต้องใช้วัวลา 2-300 2-3,000 หรือ 2-30,000 แล้วแต่ว่ามีกำลังมากน้อยเพียงไรมีเงินมากก็ใช้ก็จะใช้มากแต่อย่าไปคิดว่าความสุขจะมากกว่าสมัยที่ ตอนเป็นในเด็กใช้เงินวันละยี่สิบบาทสามสุบบาทความสุขเท่ากันแต่ความทุกข์มากกว่าหลายเท่าเพราะจะต้องเครียดกับการหาเงินหาทองและยิ่งถ้าไปเป็นนี้เป็นศินก็ยิ่งเครียดใหญ่เพราะว่าจะต้องหาเงินในเวลาที่ถูกจํากัดเอาไว้แล้วถ้าไม่ได้ก็จะต้องสูญเสียสิ่งที่ ซื้อมาไปอันนี้แหละเป็นการเป็นผลงานของความอยากทั้งนั้นคนที่ไปติดคุกติดตารางก็เป็นผลงานของความอยากเหมือนกันพออยากอะไรแล้วไม่ได้ด้วยวิธีที่สุดจริญถูกกฎหมายก็ไปทําด้วยวิธีทุจริตผิดกฎหมายไปค้ายาเสพติดไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เช่นนั้นก็ไปรักทรัพย์ไปพ้นไปจี่ธนาคารแล้วถ้ามีการต่อสู้กันก็มีการฆ่ากันตามมาแล้วผลก็เป็นอย่างไรผลก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกโทษประหารชีวิตไปอันนี้ก็เป็นอา น, นิสงส์ของความอยากนี้ถ้าไม่อยากถ้านั่งเฉย ไม่พูดอะไรไม่คิดอะไรอย่างที่กำลังทำอยู่ขณะนี้ได้รับรองได้ว่าจะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวต่างๆอย่างแน่นอนแต่ปัญหาคือนั่งไม่ได้นานนั่งได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เกิดความอยากแนละ้วเดี๋ยวก็อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานถ้าไม่ได้ทำก็อึดอัด เวลานั่งสมาธินี่พอให้นั่งไม่ถึงหนาทีก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าให้นั่งดูละครนี้นั่งเป็นชัว่วโมงก็ดูได้เพราะอะไรเพราะว่าได้ทําตามความอยากได้ดูในสิ่งที่อยากดูนั่นเองจึงไม่รู้สึกอึดอัดรู้สึกสบายแต่ผลเป็นยังไงผลก็คือต้องอยากดูไปเรื่อยๆ พอวันไหนไม่ได้ดูวันนั้นก็อึดอัดตอนนั้นก็ไม่สบายใจนี่แหละคือโทษของความอยากที่พวกเราไม่มองกันไม่คิดกันไม่ขยานกําจัดมันกันถ้าเรากําจัดความอยากได้แล้วใจจะเบาจะสบายจะอิ่มจะไม่หิวจะเย็นจะสุขไปเรื่อยๆไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับ การไม่มีอะไรเพราะใจไม่มีความอยากมีนั่นเองการที่เราเดือดร้อนกับการไม่มีอะไรก็เพราะว่าใจเราอยากมีถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่วุ่นวายคนที่ไม่มีไม่อยากมีแฟนเขาก็ไม่ต้องวุ่นวายกับการหาแฟนคนที่ไม่อยากจะมีรถก็ไม่ต้องวุ่นวายกับการหารถ คนที่ไม่อยากมีบ้านก็ไม่ต้องวุ่นวายกับการซื้อบ้านคนที่ไม่อยากเที่ยวก็ไม่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินมาเที่ยวนี่แหละคือเรื่องของความอยากถ้าหยุดความอยากได้แล้วเรื่องวุ่นวายต่างๆก็จะหมดไปจะอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขก็คืออยู่เฉยๆแม้แต่ถ้าไม่มีเงินทองซื้อกับข้าวกับปลาอาหารมากิน ก็อยู่ได้ถ้าใจไม่มีความอยากแล้วจะไม่หิวกับอาหารของร่างกายร่างกายไม่มีรับประทานก็ช่วยไม่ได้เป็นเรื่องของร่างกายใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันใจรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็ต้องกินไม่ได้อยู่ดีแต่ให้มีเงินทองเป็นล้อยล้านพันล้านถึงเวลาร่างกายมันไม่กิน เอเงินมาให้ซื้ออะไรให้มันกินมันก็ไม่กินอยู่ดีเพราะตอนนั้นมันมันไม่สามารถที่จะกินได้แล้วเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือชลาภาพร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่รับอาหารเข้าไปได้อีกแล้วนั่นเองแต่ใจผู้ที่ไม่มีความอยากนี้จะไม่เดือดร้อนกับความอดอยากขาดแคลนของร่างกายเลย ก็ใจมีอาหารหรอเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาอาหารที่รอเลี้ยงใจก็คือความสงบนี้และการที่จะทําให้ได้อาหารนี้ก็ต้องเริ่มต้นที่การให้ทานการเสียสละให้ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ความสงบได้ความอิ่มมากขึ้นเท่านั้นเมื่อได้ให้จนหมดแล้วก็จะได้มีกําลังที่จะไป อยู่เฉยๆได้ถ้าอยู่เฉยๆได้ไม่ทำบาปได้ใจก็ยิ่งจะสงบเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าไม่ทำบาปได้แล้วก็จะมีกําลังที่จะไปไม่ไปไปหยุดความอยากได้ไม่ต้องการอะไรได้การที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องอยู่เฉยๆควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆ เพราะความคิดนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากพอคิดถึงตู้โทรทัศน์ก็อยากจะเปิดดูพอคิดถึงเพื่อนก็อยากจะโทรหาอยากจะไปพบถ้าคิดถึงขนมก็อยากจะรับประทานถ้าคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มคิดถึงอะไรแล้วมันจะมีความอยากตามมาทั้งนั้นถ้าหยุดความคิดได้ มันก็จะไม่เกิดความอยากอย่างตอนนี้ถ้าตั้งใจฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่มีโอกาสไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆการนั่งฟังธรรมก็ไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกรำคาญใจแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะเกิดความอึดอัดขึ้นมาเพราะจะเกิดความอยาก ไปทำในสิ่งที่คิดถึงนั่นเองดังนั้นเราต้องคอยควบคุม บ, คบังคับความคิดของเราให้ได้หยุดความคิดให้ได้วิธีจะหยุดความคิดก็ต้องใช้อุบายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือให้ใช้การภาวนาการภาวนานี้ก็คือให้จิตมีอารมณ์อยู่กับ มีสติจดจอ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราสามารถบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ถ้าเราไม่ชอบการบริกรรมพุทโธจะใช้การสวดมนต์สวดคาถา สวดมนต์บทไหนก็ได้บทสั้นๆก็ได้บทยาวๆก็ได้ถ้าเราจำได้ถ้าเราชอบบทไหนเราก็สวดไปสวดอิติปิโสอาลังสมมาสวากขาโตสุปฏิปนันโนไปสวดไปภายในใจเหมือนเวลาเราร้องเพลงภายในใจทำไมเวลาร้องเพลงเราร้องได้ทำไมเวลาเรามาสวดมนต์ทำไมสวดไม่ได้มันก็ใช้ความคิดเหมือนกัน แต่เราอยากชอบเพลงอยู่เพราะเพลงทำให้เราเพลินทำให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่อารมณ์นี้มันจะเป็นโทษเพราะมันจะทำให้เราเศร้าสร้อยหงอยเหงาว่าเหว่เพราะเวลาเราล้องถึงคิดถึงความสุขต่างๆพอเราไม่ได้พบกับความสุขเหล่านั้นเราก็จะเกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาเกิดความว่าเหว่ขึ้นมา แต่ถ้าเราคิดอยู่กับบทสวดมนต์ น, นี้จะไม่มีอารมณ์ต่างๆจะไม่ได้ทำให้เกิดความอยากจะทำให้ใจเราเย็นใจจะสบายใจมีความสุขนี่คือวิธีที่เราจะหยุดความคิดของเราและเราต้องทำมากๆไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิหรือไหว้พระสวดมนต์ซึ่ง เป็นเวลาที่แทบจะไม่มีเลยในแต่ละวันดังนั้นถ้าเราอยากจะหยุดความคิดเราต้องหยุดมันในขณะที่เราดำเนินชีวิตของเราตามปกติคือตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่พอลืมตาก็ให้สวดไปภายในใจเหมือนกับร้องเพลงไปภายในใจสวดติปิสโสอราหังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปโน หรือบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็ลุกขึ้นไปทปรรําภารกิจต่างๆขณะที่ทรรําภารกิจต่างๆก็สวดไปท่องไปภายในใจอยา่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้น่คนนี้แล้วใจจะเย็นใจจะสบายถ้ามีความจําเป็นจะต้องคิดเกี่ยวกับภา ร, รกิจการงานต่างๆก็ๆให้ยืนเฉยๆหรือนั่งเฉยๆอย่าทําอะไร แล้วก็คิดให้พอคิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรมีธุระที่ไหนต้องไปทำอะไรกับใครพอคิดแล้วรู้แล้วว่าจะทําับทำอะไรก็หยุดคิดแล้วก็ลุกไปทำภารกิจที่จะต้องทำต่อไปถ้าต้องเตรียมตัวไปทำงานก็ไปแต่งเนื้อแต่งตัวหาัานั้ น, นถ้ารับประทานอาหารขณะที่ทำภารกิจเหล่านี้ก็สวมดมนต์ไปพุทโธพุทโธไป ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วพอเรามีเวลาว่างมานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วเวลานั่งก็จะไม่รู้สึกอึดอัดลำคาญใจแต่อย่างใดจะนั่งได้งานจะมีความสุขจะมีความอิ่มมีความพอจะทำให้ไม่หิวไม่อยากได้อะไรจะเห็นว่าชีวิตเรานี้ความจำเป็นก็มีเพียงแต่การหับ หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองไม่ต้องวุ่นวายกับการไปหาของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่ต้องไปหาเสื้อผ้ามากมายไม่ต้องไปหารองเท้าไม่ต้องหากระเป๋าไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปกินไปดื่มแบบไม่มีขอไม่มีเค เพราะการกระทําเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เกิดความสง บ, บกลับจะเกิดทําให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความอยากเกิดความต้องการเพิ่มมากขึ้นถ้าทําใจให้ว่างได้ถ้าสามารถควบคุมความคิดได้รับรองได้ว่าชีวิตนี้จะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหนังมือเลยจากการที่จะต้องวุ่นวายหาหาลาภหายศหาสรรเสริญ หาลูกเสียงกินรดโผฏภะชนิดต่างๆจะหยุดหาทันทีจะเบื่อกับลาบยศสละเสริบเบื่อกับลูกเสียงกินรดโผฏภะเพราะรู้ว่าหามาได้มากน้อยเพียงไรมันก็ไม่อิ่มไม่พอสักทีคอยหามาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้แล้วมันก็ยังไม่อิ่มไม่พอแต่พอได้มาควบคุมความคิดได้ทำใจให้สงบได้แล้ว จะไม่จะเห็นโทษของการหาสิ่งต่างๆว่าหาไปก็เท่านั้นหามาแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความอิ่มความพอเลยกลับจะท่านความหิวความอยากความต้องการให้มีเพิ่มมากขึ้นแต่พอได้มาควบคุมความคิดทำใจให้สงบได้จะเห็นความแตกต่างเลยว่า ตอนนี้ใจเย็นใจสบายใจไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีสังคมมีแฟนมีเพื่อนมีสังคมแล้วมันวุ่นวายเพราะมันเรื่องมากมีเรื่องมากมีปัญหามากถ้าอยู่คนเดียวแล้วจะไม่มีเรื่องไม่มีปัญหา อย่างนี้ก็จะไปอยู่ตามป่าตามเขาได้ตามวัดตามวานต่างๆได้ตามสถานที่สงบห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากเรื่องอวองอุ่นวายต่ตตางๆได้อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ถ้าตั้งใจจะทำถ้าเราเกิดมาเรียนหนังสือได้ทำงานได้ งานเพียงแต่ควบคุมความคิดแค่นี้ไม่ได้เป็นของยากเย็นอะไรเลยเราทำได้ถ้าเราอยากจะทำการที่เราจะอยากจะทำเราก็ต้องเห็นคุณประโยชน์ของการกระทำถ้าเราเห็นว่าผลที่เราได้นี้มันวิเศษยิ่งกว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะอยากทำทันทีแต่ถ้าเรายังไม่เห็น เราก็จะไม่อยากทำเหมือนกับเวลาที่เราจะซื้อสินค้าถ้าเราไม่รู้คุณสมบัติคุณภาพของสินค้าว่าซื้อมาแล้วจะได้อะไรจะทำอะไรให้กับเราบ้างเราก็จะไม่อยากซื้อไม่แน่ใจไม่มั่นใจแต่ถ้าเราได้เห็นโฆษณาและมีคนที่เขาซื้อไปแล้วมาบอกมา มาพูดมาเล่าให้ฟังว่าสินค้าชนิดนี้ดีอย่างไรกินแล้วทำให้น้ำหนักลดทันทีทำให้หน้าตาสวยงามผ่องใสผิวพรรณผมจีนผมที่ขาวก็จะกลายเป็นสีดำไปถ้าถ้ามีใครขายสินค้านี้รับรองได้ว่าจะมีคนแหกันไปแย่งกันไปซื้อกันจนแบบว่าสินค้าไม่พอขาย จันไดการปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นปัญหาก็คือไม่ค่อยมีการโฆษณากันเพราะไม่มีคนที่เคยใช้สินค้านี้มาประกาศมาโฆษณาให้นั่นเองหาคนน้อยที่ใช้สินค้าของพ่อพทธเจ้าจึงไม่มีการโฆษณากันแต่ถ้าวันไหนโชคดีได้ไป พ, พบกับคนที่ได้ ใช้สินค้าของพระพุทธเจ้าแล้วเราได้ยินได้ฟังการบอกเล่าถึงความเลิศของความวิเศษของสินค้าของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้เกิดความอยากที่จะซื้อสินค้าอันนี้เช่นเดียวกันเพราะสินค้าของพระพุทธเจ้านี้ดียิ่งกว่าสินค้าที่จะทำให้เราสดสวยให้อยู่ไปเป็นร้อยปีพันปี เพราะสินค้าของพระเจ้านี้จะทำให้ใจของเรานี้มีความสุขไปไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งนานยิ่งกว่าล้านปีแสนล้านปีสี่อันนี้แหละคือสินค้าของพระพุทธเจ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทำใจให้สงบได้แล้วใจจะมีความสุขไปไม่มีวันสิ้นสุดเป็นอมะตะไม่มีวันสิ้นสุด นี่แหละคือความวิเศษของสินค้าของพระพุทธเจ้าของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีพาาาระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นผู้เผยแผ่เป็นผู้โฆษณาเพียงแต่ว่ามีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับคนที่ไม่รู้ถึงคุณค่าของสมบัติอันนี้ จงไม่ค่อยมีคนรู้จักกันแต่ผู้ที่มีโชคมีวาสนาได้พบกับผู้ที่รู้ถึงคุณค่าของพระธรรมคำสอน<ๆ>ก็จะได้รับประโยชน์กันได้นำเอาไปปฏิบัติและได้รับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะเกิดความอยากที่จะทำใจให้สงบ ก็ขอให้เราพยายามเข้าหาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่รู้คุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันศึกษามันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วจะทำให้จิตใจเกิดฉันทะวิริยะคือเกิดความอยากที่จะปฏิบัติตามอยากจะทำใจให้สงบ อยากจะสวดมนต์ไปทั้งวันอยากจะบริกรรมพุทโธไปทั้งวันถ้าทําแล้วรับรองได้ว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ต้องเสียเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จะต้องสะสมบุญมาเป็นเป็นกับเป็นการด้วยกันกว่าจะได้พบกับความสงบอันนี้ตอนนี้มีพระพุทธเจ้าบอกวิธีแล้ว ถ้าทำได้ก็องทรงรับรองไว้แล้วว่าไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากถ้าตั้งใจทำจริงๆทำตั้งแต่ตื่นจนหลับทำไปทุกวันรับรองได้ว่าไม่เกินเจดปีจะได้พบกับความสุขที่ถาวรันนี้อย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราจงพยายามขวนขวายศึกษาศึกษาแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติตาม อย่าศึกษาแบบทัพพีในหม้อแกงฟังเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไม่ได้เอาไปปฏิบัติถ้าฟังแล้วต้องปฏิบัติเหมือนกับลิ้นกับแกงพอแกงพอลิ้นได้สัมผัสกับแกงเพียงยศนิดลดหยดเดียวก็จะเห็นคุณเห็นรสของแกงว่ า, อ, ารอร่อยขนาดไหนก็จะตักแกงรับประทานอย่างไม่หยุดไม่ยัง้ง แต่ถ้าเป็นแบบทัพพีในหม้อแกงต่อให้ทัพพีอยู่ในหม้อแกงเป็นสิปีร้อยปีทัพพีก็จะไม่รู้คุณค่าของแกงว่าเป็นอย่างไรฉะนั้นใดการฟังเทศฟังธรรมแบบเข้าหูซ้ายออกหูขวาอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะฟังให้เกิดประโยชน์ต้องตั้งใจฟังฟังแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติตามแล้วรับรองได้ว่าจะได้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยืดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเพเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ แล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ